มีผู้ฟังมีผู้พูดมีกายมีใจเพื่อจะทำให้เกิดความชอบขึ้นมาตั้งไว้ดีๆ <c oughs> <c oughs> ตัง้งจิตไว้ชอบหลับตู้อะไรต่างๆเห็นชอบ เมื่อได้เห็นเมื่อได้ดูเมื่อได้ยินเมื่อได้ฟังเมื่อได้สัมผัสเมื่ออะไรบาเกิดขึ้นมากับชีวิตเราเหมือนกับมิเตอร์ตั้งไว้ศูนเพื่อจะใช้ให้สำเร็จประโยชน์ถ้ามาตั้งไว้ที่ศูนย์มัก็ผิด ความเห็นชอบมันเริ่มต้นตั้งไว้ดีแล้วก็มีสิ่งเกี่ยวข้องนากมายหลายอย่างตั้งไว้ชอบม่ความตั้งจิตตั้งใจไว้ชอบก็จะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตรงหมด จ ะ, จะมีคำพูดคมจากออกมาขอพูดเพื่ความชอบให้สำเร็จประโยชน์จากภาษาที่เป็นสมมุติบัญญัติความเท็จก็บอกเป็นความเท็จความจริงก็บอกกันเป็นความจริงทุกคนให้มีความต้องไว้ชอบก็จะเกิดการพูดชอบขึ้นมาถ้าจะเป็นต้องพูด ถ้ามีสิ่งต้องพูดต้องขี้ต้องเแกงต้องนำต้องรู้ต้องขี้ถ้าไม่รู้ไปขี้ก็ผิดถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ผิดไม่รู้ไม่ขี้ก็ไม่มีประโยชน์จากชีวิตที่ไม่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ ชีวิตตั้งอยู่ที่ศูนย์คือสมาธิติใช่สมเด็จประโยชน์ก็ไม่รู้เราขค้ืนไปขี้ก็ปิดแล้วความเทอความเคียงมีเป็นสากลของโลกในกายเราก็มีในใจเราก็มีในโลกก็มีคนเด่นทำให้บ้างตัวเราทำขึ้นมาเองบ้าง บาทีก็ทำให้เกิดวัญนาขึ้นมาเจตัวเองวางแล้วก็มีการงานนันชอบมีงานทำทุกเวลาเตื่นเช้าขึ้นมามีก้าหลังยามโดยจักลุกโดยจักตื่นยอมอะไรเพื่อให้ เยี่ยมอะไรที่เราเยี่ยมเป็นความดีหรือความไม่ดีเลือกเยี่ยมได้ยี่งพราะเราก็มีจิตวัดวิธีวัดมาสวดมม่สธยาธรร้อยทำจนแถมที่ที่เราได้แสดงออกมาด้กายกรรมวัีิกรรมมโนกรรม เยี่ยมเยี่ยมชิ้นเยี่ยมทำในตัวนอกตัวเปิดประตูเยี่ยมคำสาทยาที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระปอกผิดบอกถูกแต่ตัวเราเราก็เห็นชอบเห็นด้วยแด่ว่าอะไออกไปซึ่งเป็น ทรมาวินยัยที่เดวันยัดให้เราเดินตามและเยี่ยมเกื้อดีแด็ก็มีการได้ยินคำพูดได้มีการกระทําไปในตัวได้ได้ความได้กินเอามากระทาถ้าจึงได้เป็นทุกขดด์กำหลดรู้ได้แล้ว รู้ได้แล้วนี่คือทุกไม่ใช่สุขสิงใดเป็นเหตุให้เกิดทุกเห็นแล้วเห็นแล้วทำได้แล้วละได้แล้วการละทุกสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ยากต่องความเห็นชอบพูดชอบพิดชอบขึ้นมาเยอะแยะ เรื่องชีวิตก็โดยชอบชีวิตเราต้องเลี้ยงดูมีกายมีใจมีกําลังด้องกินต้องนอนต้องขับต้องตายด้วยจากใช้ชีวิตการดูพ่อบริพกุกโดยความชอบก็มีคุณมีประโยชน์ถ้าปลิโภคด้วยความม่ชอบ ก, ก็เป็นทุกข์เป็นโทษ ต้องไว้ดีๆการเลี้ยงชีวิตชีวิตเราในสองส่วนส่วนรูปคือกล้างกายอาศัยข้าปลางาหารอากาศแสงแดดลมพัดการดิ่มกาน้ำเกี่ยวข้องกับรูปของเราก็ให้รู้จัก ความเหมาะสมกาลเทศะจะให้ตกนดั่นาจของความอยากจนผิดศีลผิดธรรมโดยเฉพาะพวกเราอยู่วัดวารามเป็นนักกวดออกจากวานจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยวัดเรื่อนมาแล้ว วิธีที่เราจะใช้ชีวิตของนักปวดคือรรมาเวนาืนยดเยอะแยะก็สุดที่นั่งที่คนมาอยู่ให้เรามาอยู่นี่เป็นวดัดเป็นสถานที่ทำบุญกุศลอุติวัดต้องละชั่วทำดีคนไม่มีชิน อยู่วัดไม่เคยได้เดือดร้อนวัดไม่ใช่ที่วยู่อาศัยธรรมดาธรรมดาวัดอยู่เรื่อยวัดกายวัดใจเราอยู่ด้วยให้ได้แบบได้แผนตัวธรรมอรุณาเป็นแบบเป็นแม่พิมพ์เกี่ยวกับรูป เกี่ยวกับจิตใจก็เรื่องอาหารที่ให้อาหารใจความปล่อยวางเป็นอาหารใจอมเอมความคิดชอบเป็นอาหารใจผู้จะชอบเป็นอาหารใจเด่องคีวิตชอบการงานชอบความภาพเปลี่ยนชอบบ้านมีสติไวชอบ การตั้งใจไว้ชอบเป็นอาหารของใจสิ่งแวดล่อมใจที่ดีให้ขิงแวดล่อมกับคิดใจในทุกรูปแบบเกิดจากตัวเราเองมาไล่เป็นดีมีสติรู้สึกระลึกได้ก่อนพูดก่อนคิดก่อนทำกำลังพงูดกำลังคิดกำลังทำอยู่รู้ฉุกตัว ไม่เด้นสงมั่นใจแม่จะเราทำงานกับมั่นใจทำให้ถูกแค่ต้องก็ไปดูเขาทำกติที่วัดภูเขาทองก็ไปดูเขาทำก็กำกผิดก็ไปลือ้อเมื่อวานมีแจะลือ้อคนที่ทำผิดไว้ ตัดผิดก็มีไม่ตัดแล้วก็ต่อไม่ได้เหมือนไปเหมือนเช่นปากกาดินสอก็เสียหายไปก็ต้องแก้ก็รู้วนไม่รู้ก็มีไม่รู้ไปทําไม่รู้ไปขี้ยังก็ผิดผู้ที่รู้แล้วไม่ขี้มันก็ผิดก็ยอกขึ้นมาเราก็ไม่หลังเกียดติก็ไม่แต่ม่าเสียเวลา การที่เลี่ยวแดงที่เราไปแก้ไขคาวเดินก็ได้ประโยชน์แต่จริงจริงที่ไม่ชอบเกิดขึ้นมากกว่ารู้แล้วรู้แล้วมีอยู่จริงผลทาผิดก็ไม่อยู่จริงคนทําถูกก็มีอยู่จริงให้เราได้แก่สิ่งที่เขาทํำผิดได้เป็นถูกถ้าเป็นวัตถุจริงของ ส่วนิงที่ปิี่ทูเกิด จ, จิตใจของเขาให้เขาแค่บอกให้เขาแช่สอนให้เขารู้สอนให้เขารูใา้ให้เขาได้ผลเรียนจากเราเราทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ตัดไม้ไผ่ไปตีฝาทำฝากระตีข้างบนก็ไม่ได้ถึงแบบถึงจุดทั้งล่างก็ ไม่ถึงกฎหมายปลายทางหรดูตีทำใหม่ข้างล่างก็เป็นช่องข้างบนก็เป็นช่องก็อท่อฝาก็ต้องมาปิดอย่าให้สัตว์เลื้อยคานเข้าไปก้างขาวเข้าไปงูเลื้อยเข้าไปกำลังรีบออกวันเสาร์ตีเฉย จะปูด อ, อกหนึ่งก็หนึ่งบาทปีผิดก็ถอนทิ้งทิ้งไปละหนึ่งบาทการทำงานแทนที่จะได้งานก็เสียงานเสียเงินเสียเงินค่าชื่อเตอปูเสี ย, เ, ส ย, เ, สยเวลามีเหมือนกันในโลกนี้เราก็เป็นไม่ดีก็พึงใจแล้วรู้จักแก้ไข ได้แก่คนทำผิดยิ่งเราทำผิดก็ยิ่งโอกาสแช่ยิ่มเยี่ยมจะสายเห็นสิ่งที่ผิดขึ้นกับกายกับใจเราทำไมเราจะไม่รู้เพราะมีวิตเตอร์ตั้งไว้ที่ศูนย์แล้วใช่ได้ความคิดก่อชิดได้ความชอบผู้จาอก่อชอบการอ่านชอบเรื่องทีวิตก็ชอบขึ้นมา หากมีความภาคยาเพื่อลักความช่วทําความดีก็ชอบชอบเดินอยู่บนดินก็ชอบไปไหนมาไหนอยู่โดยชอบเรามีกายมีใจมีมือมีแขนเห็นสิงด้วยไม่ชอบก็ช่วยสิ่งที่ไม่ชอบทำดีขึ้นมาเยเาอะแยะพวกเราอยู่ที่นี่มี อะไรที่เราใช่อยู่ที่นี่มีน้ำมีไฟมีกติมีเครื่องใช้ไม่สอย <c oughs> ก็ให้เกิดความชอบขึ้นมาภาเพเขียนที่จะทำให้ชิงไม่ดีให้ดีขึ้นมาอย่าโทษทิ้งจะน้าไปไฟขอละมัดระวังไม่มีประโยชน์จนดมีทษเข้าไ่ขวัใช้ บางทีเรามีวาวาความสุขความทุกข์ร่วมกันก็ื่นทําให้เราเป็นทุกข์เดดร้อนก็มีเรื่องสุบูรีคนที่ไม่สูบก็เป็นทุกข์เป็นโทษเรียกว่าสุบุรีมือสองได้กินได้ควรจินเล้าหม อ, อยาแล้วก็เราก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ถ้าเรามีสติก็พึ่งได้ เยาะแยะร่างกายจิตใจของเรนี่มีความภาคเพลินไม่ชอบต่างคนต่างเล่าความชั่วต่างคนต่างทำความดีใช้ชีวิตในที่นี้เดิน่บนแผ่นดินอาขาดหายใจใช้เครื่องนู่เครื่องห่มใช้ที่อยู่อาศัยใช่เป็นใช้ยารักษาโลก ยิงเราได้สาธยาพสูจน์สอนตัวเองเพื่ออะไรทำอย่างนี้เพื่ออะไรพูดอย่างนี้เพื่ออะไรคิดอย่างนี้เพื่ออะไรทําอย่างนี้เพื่ออะไรมีความเพี่ยนทําให้เกิดความดีขึ้นมาได้หรือไม่ส้อ้นตัวเองความภาพเพียนชอบบ้างสติไว้ชอบกรรมฐานมีปานภูเขา เพื่ออเป็นครั้งยกขึ้นมาใช้กาใช้ใจใช่วาจาความชิดชอบตั้งพูดจาชอบการงานชอบภาพการชอบเรื่องกีดชอบล้วนจะมีสติดังนั้นให้เกิดความชอบขึ้นมาตั้งใจไว้ชอบถึงกดหมายปลายทางจบได้ ต่ตั้งไหวชอบการใช้ชีวิตเกิดอะไรขึ้นมาเกิดมาเกิดผลเจริผู้ที่ใช้ชีวิตไว้ชอบนั้นไม่ได้จนเลยพวกเราเกิดมาได้บัดลุดทั้งหมดความืิดชอบเป็นบรลลุดของเราการพู้จรชอบเป็นมรลลุด บ, บุรณ ะ, ะ, ะดุกธรรมของเรา การเรี้ยงคือชอบเป็นมรดกของเราการงานชอบเป็นมรดกของเราวารภาพเคียนชอบเป็นมรดกของเราการวิเชติไวชอบเป็นมรดกของเราการตั้งใจระชอบเป็นมรดกของเรามรดกของเรานีเป็นส่วนรวมประโยชน์เกือเก้อกูลแก่คนหมู่มากเป็นประชาธิปไตยทำงานราธิปไตยจากคนคนหนึ่ง ทำไมเล่าใจะจะทําให้การเดืดอดอ้ยนเกิดชิงเอืดร้อนเมื่อห้านิ้วจ็บนิ้วร่างกายมีขามีแขน <c oughs> ว่าที่จะทําความดีให้เกิดขึ้นได้เหยื่อตัวเองได้คนอื่นชิงเงื่อวัตถุอื่นการเวลากมีจริงจริงมีกลางคืนมีกลางวันกลางคืนก็ต้องพักผ่อนหลับนอนให้หลับ อย่าพระธรรมาื่นกล <c oughs> างวันเป็นดีเห็นกลางเวรเป็นนุกเข้าหอดทนสอนตนกลางคืนต้องนอนอย่าตื่นกลางวันต้องตื่นอย่านอนมีการมีการในโลกนี้หัวหน้าเนี่ยฉีดนี่ว่าสร้างโลกขึ้นมา ใหามันมีผลงานจากชีวิตของเราบ้างทำได้ 15, 60, 50, 50, 50. มือห้านิ้วฉีบนิ้วมาสร้างโลกนี้กายมิจัยมาสร้างโลกนัดหนึ่งจากตัวเราเราจะเป็นหนึ่งในเรื่องนี้ผู้อ่นใที่ได้ชีวิตมา ผู้ให้ชีวิตของเราคือพ่อแม่มีอยู่จริงขุนพ่อคุนแม่มีอยู่จริงนี้ไปไหนก็ไปพ้นดูตรงหน้าเราเสมอหาหน้าประทันใดพ่อแม่อยู่ตรงนั่นจำเราจะลืมได้เราทุกข์สงสารพ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์ เราทำชั่วสงสารพ่อแม่พ่อแม่อยากให้เราทำชั่วกานคิดชอบการพูดจาชอบความงานชอบความเลี้ยงชีพชอบการพาคเพียรชอบความตรัสติไว้ชอบความตั้งใจไว้ชอบนี่คือหุนพ่อคุนแม่ต้องการเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เวลาใดเราได้รัของชั่วได้ทำของดีเหมือนกับตกบุญแทนบุญพ่อแม่เรา แล้วก็มีครูอาจารย์ครูคนแรเคยพ่อแม่ครูคนทด่สอนเรามีอยู่ที่ไในโลกนี่ยังคิดถึงสุวรร น, นี่ก็มีเวลาเราทำผิดครูสอนบอกให้เราสอนขีนการแปลงพลันการล่าหน้าการทำงานเด็กชายใหม่ลักหมูเป็นเด็กดีเก็ด น, นอนแต่เช้าทุกวัน พอลุกขึ้นเขาก็จัดและปัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วเพียงไปล่างหน้าล้างตารีบทํางานช่วยเหลือพ่อแม่เช็เช็ดถั่วานเป็นต้นถึงเวลาไปโรงเรียนกินข้าวแต่งตัวเรียบร้อยไปโรงเรียนตรงเวลาทุกวันเมื่อเลอกจากโรงเรียนมาถึงบ้านรีบถอดการเกงเชื่อมาออกลึ้งแดดรีบไปทํางานช่วยเหลือพ่อแม่นี่เด็กชายใหม่แล้วเรียน แบบเรียนแล้วใหม่ชั้นต้นปนหนึ่งยังจำหน้าอยู่ครูพาให้อ่านหน้าชั้นต่อไปเย็นอนอนเรารู้จักอานน่านได้ตัวไหนอ่านมาได้ครูก็นั่งอยู่ข้างๆเก้าอี้ไปเยืนอยู่ตรงด้าเก้าอี้หน้าชั้นกับโต๊ะครูครูก็บอกเราเจ้าหวันหนึ่งนกกกัเขียนตัวผู้ตัวหนึ่ง เะ อ, อู่วนจิงมาม่วงไหนสวนนกน้อยตัวนี้รอบทรงแสงล่องไผลอ่อจับใจยอินพลางกระโดดพลางไปตามจิงมาจิงโน้นบ้างจิงนี่บ้างมีเด็ ก, กเกเรคนหนึ่งเอาหลังเสือติ๊กมายิงเขาตายนี่เราได้เรื่องมีส่ะแห่งหนึ่งไม่ลู้จับกว่วงใหญ่นักมีส่ะแห่งหนึ่งไม่สู้จับกว่วงใหญ่นัก เวลาลมพัดน้ำไหลสาบเวลาโลกขึ้น น, น้อยพทะยอยเข้ากับทบฝั่งตน้นยอดที่ขอบสาโอนเอ็นไปมาจนใบเกียวชี้กันในสาบนั่นมีไขเ่เล็กๆรออยู่เหมนคือไข่กบมีลูกกบตัวเล็กนอนอยู่ในไข่นั่นมันนอนอยู่เหมือนเด็กตอนอ่อนๆนอนเป๋แต่เป๋ของมันไม่เหมือนเป๋เด็กแต่บุ้นกลมสงสัยใสหุ้งตัวลูกกบอยู่ลูกกบก็โตแล้วลนะูกกินเออมันสนุกดีนะ อ่านหนังสือเรียนเลื่องวันจำได้ ท, ทุกวันนี่ครูสอนงันได้เขียนได้ตั้งกระนิษฐาได้ให้บวกให้ขู่ให้หารครูบอกสอนให้เราได้มีชีวิตสะดวกมาทุกวันนี้มีอยู่จริงคุณครูของเรายิ่งครูพระเจ้าอุบาจานท์หงพอเทียนก็ไม่อยู่จริง ได้บอกให้โลยกบือสร้างจังหวะอิสติเรามาันคชดจะเข้าไปในความคิดเราสึกตัวเราไม่เคยมีครสอนอยู่ในเราเข้าไปอยู่ในความคิดมาตลอดสองสิบปี คิดสุข ก, ก็เป็นสุขคิดทุกข์ก็เป็นทุ ก, ดดกข์คิดโลก็เป็นโคิดโกก็เป็นโกรธโลภก็เป็นโลภคิดหลงก็เป็นหลงคิดรักก็เป็นรักคิดเกลียดก็เป็นเกลียดขี้โกรธขี้โลกขี้หลงขี้ทุกข์หกเข้าไปอยู่ในความคิดไม่มีสติแต่โตหลบโอเทียงสอนมันก็จังออกมาไม่เป็นน นอนหวนกันอย่างกับขลังเข้าไปแต่เขาคิดเดินจะ ก, กลมแทนที่จะรูดจะตัวมาไม่ใช่เดินเพื่อรูมคิดไปคนมีลูกก็คิดจังคนมีลูกคนมีมียคิดอย่างคนมีเมียคิดได้คิดดีเข้าไปอยู่ในความคิดทั้งหมดมันหอบยิ้วไปไหนมอไหนเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นมา เรื่องเก่าสิดงเรื่องสิดีกหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหล ง, ล ง, ลงอีกทำให้เราได้ชานอนในกายในใจในรูปในน้ําขึ้นมาได้รู้เรื่องนี้มีค่ามีคุณขึ้นมาโตลงพ่อเทียนสวนให้เรารู้จักรูปรู้จักน้ํารู้วจบรูปพุกน้ําทุกรู้จับรู ป, รบรปโลกน้ําโลก รู้จากรูปทำน้ามทำโอ้ตั้งต้นได้อะไรเกิดกับรูปลู่ละบันเน้รูปทำอะไรทำดีทำชั่วรูปละบรนเน้เร า, ะร า, าระนนจะพยายามใช้รูปใช้นามให้ละความชั่วให้ทำความดีก็ก็ละได้มีเครื่องมือแล้วรูปไม่ก็มีรูปทุกนามทุก รูปสมมุติน้ำสมมุติเออ็จียงได้เป็นทุกข์ที่เราต้องรู้จึงได้เป็นทุกข์ที่เราต้องละงรูปั้งนามเคยทําไม่ดีมาติดอะไรมาละได้สิ่งที่ละก็ละไดสิ่งที่รูป ก, ก็รูปตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้รูปจริงๆอันนี้ทุก ตอนนี้เห็นที่เกิดทุกขรูปสมมุติหนอมสมมุติสมมุติมมตในโลกเต้นไปหมดเลยสมมุติปัญญัตเิเราสมมุติเที่ฟะให้เราเลยหลงไม่มีสติเห็นตาเห็นรูปสมมุติปัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบอู้ได้ยินเสียงสมมุติปัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบ สมมุดออกหน้งออกตาเพราะไม่มีสติวิ่งลับมือไปเลยเหมือนกับลับมือกันหมัอนส่งให้กันตายในโูกส่งให้ความหลงความหลงส่งให้สมมติสมมุติส่งให้บรรจัญญตรยึดมั่นถือมั่นอุปทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นต้นในสมมติวัตถุอาการต่างๆในโลกนี่ อะไรก็มีวัตถุทั้นามทั้ธรรมทั้งวัตถุเป็นสมมุติในจิตในใจก็สมมุติเอาขึ้นมาอยู่เฉยๆสมมุติเป็นอยากขึ้นมาเป็นทุกข์เป็นทุกข์โอ้สมมติได้ตรงโลกเลยอยู่ได้ดวงสมมุตินึงเหมือนกับว่าท่องเที่ยวกันเต็มที่ได้เห็นได้เห็นได้เห็นโลกภายโายนาไโลูกแจ้งแห่งโลก สมมติมือนหยาดวัตถุอาการต่างๆหลุดเลยตัวนี้กระโดดได้ไกลมากตัวเนี่ยจืดไปเลยจืดไปเลยรถของโลกจืดไปเลยความโกรธจืดไปเลยความทุกข์จืดไปเลยความ่ถูกกักววงวลเศร้าโศกจืดไปเลยเพราะมันเป็นสมมุติเหมือนหยาดมองเห็น ขยอกมองเห็นเฉลตดออกจากปากมันเอาคืนไม่ได้มันน่าเกลียดความคิดก็น่าเกลียดที่ไม่ตั้งใจความโกรธโลภหลงของน่าเกลียดมา่าเป็นสงุนจัดแต่ก่อนมันเป็นยึดเอาสุขก็ยึดว่าเราเป็นสุขทุกขก์ก็ยึดว่าเราเป็นทุกข์แค่แต่ความโกรธก็ยึดตัวเป็นตัวเป็นตนเห็นส ม, มุนจัด ตัตกุอาการต่างๆในตัวเรานี่มันเกี่ยวข้องกับโลกนะเราเกิดเลยขึ้นมาเกิดสุนเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นกุศลเห็นอกุศลทั้งสองอย่างเชียงบาเชียงไหลเห็นผิดก็เห็นถูกเห็นทุกข์ก็เห็นไม่ทุกข์กุศลอกุศลชูขึ้น โชวนใหดูเลยอ้าวสองอย่างนี่กุศลเอากุศลโชวให้เราเห็นนัน้กนกุศลก็ต้องต้องประกอบอกุศลต้งละละความชั่วอะไรไปความดีทำแต่เพื่พผือไม่ติดไม่ยึดนี่เห็นมีจังหวะที่มีปัญญาขึ้นมาเหลนพุทธศาสตาเห็นศาสนาพุทธศาสนาศาต า, า, าคือคนนี่ คนเป็นคนดีนี่คือจารนานี่คือจารนาประพุะทธธรรมพระสงฆ์คือคุณธรรมเกิดกับคนนี่ลู้ขึ้นมาจากนี้เกลี้ยงไปเลยมาเป็นขบวนเลยหลออย่างที่ช่วยเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่ครูสอนเรามนจุดจริง อยางวเทียนสอนเลาเรนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเมืเหมือนกันทุกชีวิตเราหลงก็หลงเคยหลงเหมือนกันสิ่งที่ท่านหลงเราก็เห็นหลงเหมือนกันเราไม่หลงอีกแล้วจิ่งที่ท่านทุกเราเคยทุกเหมือนกันเราไม่ทุกอีกแล้วแต่งมาเราจะไม่เปลี่ยนแปลง เร้วว่าประเสริฐขึ้นมาสูงขึ้นมาหมายถึงไปเรียนในหมหาวิาลที่ไหนฝึกกัรมฐ า, านนี่ครูสอนเราครูสอนเราเราอ่านได้สะดกมีอยู่จริงในโลกนี่ครูสอนเรารู้จกักชีวิตเราไม่อยู่จริงนะเรายินไหมฮะอสองขวรใช้ เ, เวลากับผ่วพ่ทมเจ้า